เพิพ่มเดียวแป๊บเดียวเนี่ยดับเดือนหกแล้วเนี่ยี่ดับเดือนหกแล้วได้เนี่ยมาออื่นก็นเดือนเจ็ดเพิ่เพิดพดเดียวเนี่ยเหลือเวลาอีกเดือนครึ่งเข้ารรษาอยู่แล้วเหลือเวลาอีกเดือนครึ่งวันคืนล่วงไปชีวิตพวกเราล่วงไปด้วยวัยล่วงไปด้วย อายุล่วงไปด้วยวัยล่วงไปด้วยไม่ใช่วันคืนล่วงไปเฉยๆวัยล่วงไปการล่วงไปเวลาล่วงไปวัยล่วงไปชีวิตสังขารล่วงไปล่วงไปล่วงไปความตายใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาอย่าไปนอนคอยตายเด้ ทำอะไรไม่ได้นอนอยู่เฉยๆนอนอยู่ซื่อๆใจว่างใจมีเวลาภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธอย่าไปคิดว่าทําอะไรไม่ได้ใจยังอยู่ใจยังไม่ไปใจยังอยู่ใจยังไม่ไปอย่าไปร้อยวันคืนล่วงไปเฉย ยืนก็ภาวนาได้เดินนั่งนอนภาวนาได้เทั้งนั้นทําอะไรไม่ได้อัมภฤึกอัมภ า, าตใจยังทํางานได้ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธ ด, ด, ดูดูความเจ็บความปวดดูความอัมภรึกอัมาพาตนั่นนหะพุโทโธแล้วก็ดูนั่นแหละพุทโธแล้วก็ดูพุทโธแล้วก็ดูทําไมมันต้องเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนี้ทําไมมันเปลี่ยนไป เน่เปลี่ยนไปให้เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยต่อไปมันจะไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเคยหายใจมันก็จะไม่หายใจพอไม่หายใจมันจะอยู่ได้แล้วระบบใหญ่มันอยู่ไม่ได้แล้วระบบยานไปแล้วไป ต, ว ต, วตัวนี้เกิดอาไม้ทุกอีกแก่เจ็บตายเกิดอาไม้ทุกอีก แก่เจ็บตายเกิดเอาไม้ทุกอีกไม่จบจบหรือไม่จบรู้เวลาเรียนรู้ศึกษารู้ให้ถือเอาประพฤติเอาปฏิบัติเอาเพื่อผ่อนเพื่อคลายเพื่อบรรเทาหาความรู้ให้กับจิตหาความสว่างให้กับจิตหาที่พึ่งให้กับจิตอุทโทรธรรมโมสังโฆที่พึ่งของจิตอย่างอื่นไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้ดอก คิดถึงโลกก็ทุกโลกคิดถึงหลานก็ทุ ก, กหลานคิดถึงงานถึงการกะทุกกับงานกับการคิดถึงอะไรก็ทุกกับอันนั้นแะคิดถึงพุโทโธไม่ทุกคิดถึงพุโทโธไม่ทุกทำไมถึงไม่ทุกพุโทโธเป็นธรรมะใครมีจิตอยู่กับพุโทโธจิตของคนนั้นตื่นไม่หลับ ไม่หลับไหลไม่ลุ่มหลงไม่หลับไหลจิตไม่ตื่นจิตไม่หลับจิตตื่นตื่นจากตัณหาจืนตื่นจากกิเลสตัณหากิเลสตัณหานั่นแหละมันเอาไปเอาไปหาทุกข์กิเลสตัณหาเนี่มันดึงไปหาทุกข์ไม่ทันมันได้ไม่รู้จักไม่รู้จักมันด้วยซ้ําไปดีไม่ดีก็ถือมันเป็นมหามิตรแทนที่มันจะ มันที่จะถือมันเป็นมหาศัตรูถือมันเป็นมหามิตรกอดคอกับมันอยู่นั่นแหละอ่าไม่รู้ไม่รู้ควรจะถือเอาอะไรไม่รูกท่านจึงให้ศึกษาได้ยินได้ฟังเอาไปถือตามคระพุตามปฏิบัติตามพุโทโธพายเราตื่นพุโทโธนั่นแหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้สว่างผู้เบิกบานพุโทโธพุโทโธพุโทโธความตื่นมันยังไม่เกิดขึ้นในจิตกพยายาม บริการมเข้าพุทโธ vine vine aky, พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธตั้งอารมณ์หยับหยาไว้สัก่อนจนกว่าอารมณ์ที่เป็นธรรมะละเอียดลึกจะพลอยเกิดขึ้นเราไปทิ้งอารมณ์หยาบหยาบแล้วไปจับอารมณ์ละเอียดมันจะไม่ถูกจับไม่อย <ley> ู่อารมณ์หยับหยาบเราจับเราจับอยู่อารมณ์ละเอียดละเอียดมันจะพลอยเกาะเอง หลวงตาท่านบอกว่าอย่าทิ้งคําบริกรรมอย่าทิ้งคําบริกรรมไม่ใช่เราบริกรรมไปแล้วคําบริกรรมของเราจะไปแย่งมโ น, นแย่งนี้คําบริกรรมก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดในใจของเราเกิดขึ้นด้วยเตจตจํานงเจตนานแหละเป็นตัวศีลเป็นตัวธรรมเจตนาหังพิฆวิยกรรมมังวดามิ เจตนาหพิกเวสีลังวดามิเจตนาเนี่ยเจตนาก็คือความชัดเจนของใจแต่ละขณะแต่ละขณะมีความจงใจทําเข้าไปพุทโธพุทโธพุทโธสร้างเจตนาเข้าไปเอาตัวนี้เป็นผู้มาปลุกเป็นผู้มากระตุกเป็นผู้มากระตุ้นให้ตื่นเอาตัวนี้เป็นตัวมาปลุกปลุกตัวเองให้ตื่น ปลุกจิตตัวเองให้ตื่นปลุกกายตัวเองให้ตื่นปลุกสติปัญญาของตัวเองให้ตื่นปลุกความเพียรปลุกความอดความทนของตัวเองให้ตื่นพุทโธนี่แหละท่านให้ดำ ท, ทิพุทโธพุทโธไม่ทิ้งคำบริกรรมหลวงตาท่านไม่ให้ทิ้งคำบริกรรมอย่าไปคิดว่าทิ้งคำบริกรรมแล้วเสียเสียธรรมะส่วนละเอียด ธรรมะหยาบหยาบเยังจับไม่ได้จะไปจับส่วนละเอียดได้หรือจับธรรมะส่วนหยาบหยาบนี่แหละเจตนาให้กับจิตของเรานี่แหละสําคัญที่สุดเจตนากับสัญญากับปัญญากับยาปัญญาญานกับยานทัศนากับยถาปูตภูตะยานทัศน์มันนั่นเดียวกันถ้าเราไม่ปลุมจะตื่นมันไม่ตื่น ถ้าเราไม่ปลูกมันไม่ตื่นในเมื่อไม่ตื่นมันจะรู้มันจะไปรู้ความจริงได้ยังไงเนเมื่อมันไม่ตื่นตื่นขึ้นมาถึงจะรู้จักความจริงความจริงคืออะไรกายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเวทนาสัญญาสังขารมีสิ่งไปแทรกสองอย่างคือกิเลสกับธรรมเท่านั้นอ่ะอ่า กิเลสแทรกเข้าไปนำตัณหาแทรกเข้าไปก ร, บราบใดที่มีทำ ม, มากกิเลสก็ตกไปตัณหาก็ตกไปนีม่มันแทรกเข้าไปที่ใจส่วนประกอบของใจความยึดติดของมันอนุสัยความยึดติดของมันกิเลสอนุสัยความชอบใจความไม่ชอบใจมีแค่นั้นเองปล่อยให้แทรก ปล่อยธรรมะแทรกธรรมะก็เป็นมิตรเป็นสายปล่อยให้กิเลสแทรกกิเลสก็เป็นมิตรเป็นสายปล่อยให้กิเลสแทรกผลรายได้กิเลสเอาเข้าพกเข้าห้อมันหมดให้ทำแทรกผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมเข้าพกเข้าหอา่อธรรมผลรายได้ของธรรมเอาสุขมาให้ผลรายได้ของกิเลสเอาทุกมาให้มันทุกยังไงทุกดิ้นรนทุกเทวทิยานทุกตามอำนาจของความอยาก ไปหาสร้างกองทุกข์อยู่ทับทิมต์ตพืพ้นความทุกข์ทั้งหลายก็ตามมาไม่รู้จักจบดูเถอะความทุกข์เกิดขึ้นจากเหตุเหตุคือตัณหานี่ยตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราไม่เคยดูพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้จิตมาอยู่กับพุโทโธจิตสงบไม่นึกไม่นึกถึงทุกข์ไม่นึกถึงเหตุให้เกิดทุกข์แต่นึกถึงก้อนทุกข์ท่านให้ดูทุกข์ กำหนดทุกพิจารณาทุกข์พิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาใจพิจารณาจิตพิจารณ า, า, าธรรมนี่คือพิจารณากองทุกข์กำหนดดูทุกเพื่อที่จะเห็นหน้าเห็นตาของสาวมุทยัยเหตุให้เกิดทุก์ตัญหาความอยากมันไม่ใช่ว่ามันมีตัวมีตนอยู่ในจิตของเราไปแทรกอยู่ในจิตของเราไม่ใช่มันเป็นพฤติกรรมเลวๆของใจใช่เอง ใจที่เราไม่เคยฝึกดัดแปลงมันนั่นแหะอยาคิดว่ามันมีอะไรเป็นตัวเป็นตนไปแทรกอยู่ไปสิงอยู่ไม่มีก็ความเลวของใจของเราซะเองนั่นแหละเราดัดไม่ได้เราแปลงไม่ได้เราฝึกไม่ได้เนี่ยแต่ใจเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้น้ำเขายังดัดได้ไม้องอเขาดัดให้เป็นลูกศรได้ น้ำเขายังไขให้เข้าออนาได้ไม้องอเขาไปทาให้ตรงได้เนี่ยตรงได้เพราะฝึกเอาดได้เพราะฝึกเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่มีวิญญาณแต่เขาสามารถด่ให้ตรงได้นีอันนี้เป็นปัญหาของสามเ็มติดใจเลย เห็นเขาไขน้ําเข้าวนาโอ้น้ําไม่มีวิญญาณเขาไขเข้าวนาได้เห็นก็ถากไม้โอ้ไม้ไม่มีวิญญาณเขาสามารถถากให้ตรงได้ซ้อนไม่มีวิญญาณสามารถดัดให้ตรงได้เราเป็นคนแท้ๆ ท, ทาไมเราดัดใจให้เราตรงไม่ได้ดัดใจคนร้ายตรงไม่ได้ปัญหาของติตสมัมเนธจากนั้นแล้วก็ไปนั่งภาวนาเอาเป็นเอาตายเลยแหละเดินคุยไปกับอาจารย์ ไปบิณฑบาตเนียพระสารีบุตรนเป็นอาจารย์โออยากภาวนาขึ้นมาทันทีอยากดัดตอนอยากดัดตัวเองโอ้ในมลอาจารย์ไปบิณฑบาบตเถอะบิณฑบาตปลาตะเพียนมาแจกผมด้วยผมอยากภาวนาอาจารย์ก็เลยเอากุญแจให้ลุกดานขงแจไปเปิดนัน่งภาวนาได้บรรลุธรรมเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นพระโสดาพระสกิตาคาพระอนาคายังเหลือขั้นชุดท้าย พระพุทธเจ้านั่งมองอยู่ที่เชตวันนั่นโอ้เนนไม่ไปบินตบาทอายุแปดขวบแม่ก็ไปอยู่ด้วยเจ็ดวันวันที่แปดแม่กลับบ้านแล้วไปบิณตบาทอายุน้อยเกินไปอายุเจ็ดขวบแม่เลยไปอยู่ด้วยวันที่แม่กลับบ้านนั่นแหละไปบินตบาทกับอาจารย์ไปเดินเดินไประหว่างทางก็เห็นเห็นเขถากไม้เห็นเข า, าไน ข, าขาน้ำข้าวนาเห็นเขาดักสอน ออาจารย์สิ่งเหล่านั้นมันมีวิญญาณไหมไม่มีเอ๊ะไม่มีเขาดัดให้ตรงได้ไม่มีเขาถากให้ตรงได้น้ําไม่มีวิญญาณเขาไขาเข้านาได้เอ๊เรามีวิญญาณแท้ๆทำไมเราดัดกายเราดัดใจของเราให้ตรงไม่ได้ไปนั่งดัดนั่นแหละไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธเจาะเข้ามาที่นี่คนเขามีบุญมาแล้วจาะไปก็ได้เรื่องเลยนะถ้าถึงหลักธรรมชาติ เขาถึงกระแสธรรมเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระนาคายังเหลือขั้นสุดท้ายพระพุทธเจ้านั่งมองอยู่ที่เทตวันกลัวพระสารีบุตรไปทำลายเวลาเนีนยังบรรลุยังไม่สุดนะก็เลยพุทธเจ้าก็เลยนิมิตมายืนที่ประตะูคุยถามกับพระสารีบุตรนะ่ะ ค่าเวลาเพื่อให้เนนทํางานให้จบพอเนนทํางานจบได้เป็นผ้าอาหารปล่อยพระสารีบุตรได้กลับไปเอ า, อาหารไปเจ็ดเนนอา่าเนนอาหารได้มาแล้วปลาตะเพียนก็ได้มาแล้วปลาตะเพียนเนียได้มาเพราะบุญของเนนวันนั้นบังเอิญูปทาก็เตรียมปลาทะเพียนไว้เขาก็นิมนต์พระสารีบุตรไปฉันปลาตะเพียนเสร็จแล้วฝาก มาถวายเนรด้วยอุปถัมของพระสาริบุตรพระบุญของสมเนรเนี่ยสมเนรเคยเคยถวายปลาตะเพียนกับพระพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็ตั้งความปรารถนาชาตินั้นนเป็นทุกขะเขินใจด้วยนะชาติที่ถวายปลาตะเพียนชาตินั้นเนี่ยทุกมากชาตินั้นเนต้องไปรับจ้างเขาทั้งผัวทั้งเมียไปรับจ้างเขาไปทำข้าวไปเสียที ไปพาฟืนไปตัดฟืนแล้วแต่เขาจะใช่ทําให้เศรษฐีจะได้มีอยู่วันหนึ่งอมีอยู่วันหนึ่งทายกในบ้านน่ะเขาปนิมนุ้งพุทธเจ้ามาสเสวยพระกระยาหารพร้อมทั้งประสงค์ห้าร้อยหลังจากเขาปนิมนตมาแล้วพุทธเจ้าครับแล้วเนี่ยทายกก็เลยมาเดินแจกเลยอา้าวใครเอาสักกี่องค์คนนั้นเอาสององคนนั้นเอาสามองกวา่าจะครบห้าร้อยหมดทั้งบ้านน่ะ จัดเลี้ยงพระถวายพระเจ้าประงสงค์วันรุ่งรุ่งขึ้นนี่ทีนี้เขาก็เลยไปถามอนายทุ ก, กตะเนี่ยทุ ก, กตะไม่เอาไม่เลี้ยงพระกระเขาบ้างเลยหู oo, ท่านเออจะเอาอะไรมาเลี้ยงจะหาใส่ปากใส่ท้องแต่ละวันก็อแทบจะหายากอยู่แล้วนั n un, n un, n un ่นนั่นนั่นเพราะท่านไม่ทํานั่นแหละท่านถึงทุกถึงยากถึงจนเห็นไถ้ายกเขาก็เลยว่า เพราะไม่ทําบุญให้ทานกับเขาเนี่แหละถึงทุกข์ถึงยากถึงจนปากกัดตีนถีบเท่าไรก็ไม่พออยู่พอกินในที่สุดก็เลยตกลงเอาเออแล้วอย่างนั้นเราขอสักองหนึ่งอย่างนั้นเราขอสักองหนึ่งขอเป็นเจ้าภาพสักองคหนึ่งกับเขาของงั้นเถอะสมัยนั้นเนี่ยทุกข์ยากมากต้องไปพาฟืน้นมาเลี้ยงชีวิตเป็นวันวั น, นเมียก็ไปตำข้าวให้เสียฐีเขาให้มาพออยู่พอกินเป็นเป็นวันวันเท่านั้นเอง นี่หลังจากหลังจากไปรับเป็นเจ้าภาพหนึ่งองมาแล้วโอ้ดีใจมากเลยเนี่ยทั้งผัวทั้งเมียแหละดีใจผัวนลยก็ไปผาฟืนไปลุ่นไปนี่ไปแล้วกัโอ้ร้องเพลงไปดีใจไปอะไรไปเมียก็ไปตําข้าวฟัดข้าวฟ้าอะไรกัดีอกดีใจรื่นเริง เ, เพลิดเพลินเพราะอะไรเ ข, เ, เขาเห็นเขาเห็นแปลกเขาก็เลยถามอ่ะทำไมอะ่ะโอ้พรุ่งนี้เราจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระองค์หนึ่งแล้วเอ่เราได้จากนี้ไปเราก็จะไปเป็นเจ้าภาพเลี้ยง นะบางคนเขาก็ย่อเ ย, อเยอ้ยโอ้ยอาหารของของท่านเนี่ยพระน่าจะแซ่บน่าจะอร่อยนะอาหารของทุกคนตะเนี่ยทีนี้วันนั้นไปเก็บผักเก็บนู้นเก็บนี้เอาไว้จะไปเอาปลาไปซื้อปลาเขาไปซื้อปลาเขาเขาก็ขายไปจนหมดแล้วเหลือปลาตะเพียนไม่กี่ตัวเขาเอาไว้จะไปกินเองเอออหมดแล้วปลาที่จะขายหมดแล้วอันนี้ ข, ของเราเอา่อให้ไปทําบุญบุญได้ปลาตะเพียนไปไ ป, ไปต้มแล้วไปเลี้ยง พระถวายพระเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นไปรับพระในสันนิบอกถามทยกหนพระผมที่ผมขอไว้องหนึ่งอ่ะโอ้ลืมไปแล้วแจกข้าพยศหมดแล้วเห็นว่าทุกขตะเนี่ยเป็นคนจนเป็นคนจนที่าไม่พอจะเลี้ยงอะไรเขาไปเขาไปพูดเป็นเล่นๆไปลักษณะอย่างนั้นนะ่ะอันนี้ตกลงเอาเลยเด้เอาแล้ย เ, เอาจริงน่ะอาหารกเตรียมมาแล้วอะไรเตรียมมาแล้วพระผมทําความชีพภายให้ผมแล้วเนี่ยในพระผมนะ่ะโอ้ย แจ่ไปจนหมดแล้วแจกคนนั้นคนนี้คนนี้นนนนไปจนหมดแล้วอ้แต่ท่านอย่าเพิ่งท้อใจยังเหลือองค์หนึ่งนะยังไม่มีใครเอาพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้ายังไม่มีใครรับเอาเพราอย่างนั้นท่านอย่างนั้นท่านไปนิมนต์พระพุทธเจ้าเองเถ อ, อะอขอรับท่านไปเลี้ยงที่บ้านโอ้คนทุกคนจนขนาดนี้ออพอพอทุกตะนี้ไปไปที่ พรการทกขดีใช่ไหมพระการทุกข์ดีพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ฉันเศรษฐีกระดุมพีพระเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เตมไปหมดเขาคอยเพื่อจะรับบัตรพุทธเจ้าทุกขตะนี่ไม่กลัวใครแล้ววันนั้นน่ะอาหารเต็มที่เลยไปเอา้าทุกขตะมาทําไมเวลานี้มันยังไม่ไม่ใช่เวลารับเดนนะเคยไปก็ไปรับแต่เศรษแต่เดนเดนอาหารเศรษฐอาหารเนี่ยเพกินเศษก้นบานนั่นแหละ เขาเคยเห็นไปเออทุกตะพระยังไม่ได้ฉันนะไม่มีเศษไม่มีเดนนะก็ดูถูกให้สิอีกพอพอเขารู้ทุกตะจะมาเลี้ยงพระพุทธเจ้าท่านโอ้อาหารท่านน่ยคงจะอรเด็อร่อยอย่างนั้นอย่างนี้นะเศษถีบางคนกษัตริย์บางคนเขาก็วิตกกังวลอุ้ยทุกตะเอาพุทธเจ้าไปไปทําให้ท่านทุกอยางลาบากแล้วจะได้มาเลี้ยงท่านนี่ทุกอันนี้ทันี้ก็ถ้ายกเขาก็บอก ไปเถอะไปเถอะท่านไปในมรรคพระเจ้จาเถอะท่านเป็นผู้มีเมตตาคนทุกคนชาคนจนก็เลยอุตส่าห์ไปแหละ ย, ยังไงยังไงจะเลี้ยงพระแท้เขาเจรพระไปจนหมดไม่คิดถึงตัวเองอ่ะก็เลยไอพวกนั้นก็คอยเกอ้ออยู่นั่น อ, ะ อ, ะอ่ะทุกข์กะทะยามาตอนนี้เวลามันไม่ไม่ใช่เวลารับเสียรับเดนไม่ใช่เรามาในมรรคพระเจ้จาไปเสวยไปฉันทั้งหาก โอ้พวกกษัตริย์เราน่ะก็ชักตกใจเลยทุกตะคนยากคนจนจะได้เอาอะไรมาเลี้ยงพระพุทธเจ้าเนาะนี่ก็ไปกราบในมูลพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ายืนาย่นบาทให้เอยื่นบาทให้ดีใจขนาดไหนคิดดูดิพวกเศรษฐีพวกกษัตริย์พวกอะไรก็วิ่งแย่งให้เราใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้เราให้เราเราจะให้เท่า น, นั้นเราจะให้เท่า น, นี้ไมต่ตอนนี้เราไม่ต้องการเราต้องการเลี้ยงพระ พ, ยยงระพุทธเจ้าถวายยังทร์นพุทธเจ้านี่อันนี้สง แล้วก็ได้ได้ใดนสองปราตะเพียนนี่ด้วยเรียงพระพุทธเจ้านั่นเราฟังดูแล้วเป็นไงมันตื่นตันไหมนี่อํานาจบุญกุศลเนี่ยจากภพนั้นมาโอ้โไปเกิดในสวรรค์เชนุชนเชนุกว่าจะมาเป็นลูกอุปถาของพระสารีบุตรเนี่ยติสสะสมเนินเนี่ยได้เป็นพระอรหานตั้งแต่เจ็ดเจ็ดขวบนี่แหละติสสะสม เ, เนิเนี่ยปราตะเพียนนี่ก็อันนี้สองตั้งแต่ถวายทานตั้งแต่ตอนนั้นแหละ ไหว้านั้นแต่ตอนนั้นแหละพอได้พระพุทธเจ้าไปเลี้ยงนะครับตั้งปณิธานเกิดชาติไหน้นชาตินั้นเยะได้ทุกเยอะได้จนเะได้ตั้งความปรารถนาไปนี่นี่คนเรามันมีทุกได้มันมีรวยได้มันมีจนได้มันมีมีได้ลงที่ต่ำได้ขึ้นที่สูงได้ตั้งให้ตรงตั้งตนไว้ให้ชอบตั้งทนไว้ชอบด้วยศีลชอบด้วยธรรมนะ แล้วก็ผลอันนี้สองอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นเองอจะเกิดขึ้นเองนี่พูดถึงทุกตะเข็มใจอผพุจิจ่าท่านนั่งดูพอรู้ว่าบรรลุพระอาหารแล้วนะก็เลยปล่อยภาษาทีบุตรกลับไปอาเนนได้ปลาตะเพยียนมาแล้วมาฉันซะก็ไปวางไว้อันนั้นก็บรรลุพระอาหารใหม่ๆอิ่มมึ่งตึงจะมีหิวอะไรอิ่มจากความหลุดพ้นเนี่ยอ ไปหาวีมาพัดให้อาจารย์ใช่ไม่สนอะอาหารที่อาจารย์วางไว้ให้เนี่ยไม่สนนะวีวางให้เอาเน้นยุดวีซะไปฉันพัตนหารซะกราบอาจารย์เสร็จแล้วก็ไปฉันพัฒตหานนี่สมณเนรติสัตติสัตสมณเนร เ, เป็นลูกของอุปถาพระสารีบุตรพระสารีบุตรอัคราสาวกเบื้องขวากิตตุศบุญเขาขนาดไหน บุญมันจัดสรรเองหากมันจัดสรรเองเรื่องของบุญบาปก็เหมือนกันมันจัดสรรเองไปอยู่เป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนใครส่วนใครส่วนใครทำดีบุญก็จัดสรรไว้ให้ทำบาปบาปก็จัดสรรไว้ให้มีแต่กองทุกเงินเอาซิกองทุกเงบุญบุญก็จัดสรรไว้ให้มีแต่กองสุขอะไรก็สุขอะไรก็สุขถ้าเป็นเทวดาอาณากระิอาณากรทิปอาณากระทิ อันนั้นก็นรื่นเร อ, อันนั้นก็นเพลิดเพลินอันนั้นก็นเจริญหูเจริญตาเจริญใจเราดูเถอะสิ่งเหล่านี้ไปจากพฤติกรรมของตัวเองไปจากพฤติกรรมของตัวเองเท่า น, นั้นแหละไม่ใช่พุทธเจ้าท่านพูดไว้หลอยพวกเราถือเป็นเยื่อเป็นอย่างมาจนทุกวันนี้ก็เท่ากับเล่าของเก่าให้กันฟังเท่า น, นั้นแหละนะตั้งใจแล้วก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ตั้งใจมโนทนาอืม แล้วตั้งใจถือตามพระพุติตามปฏิบัติตามให้ทานอย่าไปย้ำอยู่ตะก a t h ขยับมารักษาศีลบ้างอันนี้สง์เพิ่มขึ้นงันทำความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ได้ข้อปฏิบัติมารักษาศีนแล้วก็มาภาวนา ใ, ใจได้รับความสงบมาแผ่เมตตาการุณาให้ใจอ่อนมา น, น้อมไม่ใช่ใจแข็งกระด้างใจด้านใจแข็งใจกระด้าง ดึงใส่กับมันก็จุงหมาข้างหลังน่ะนะมันก็ดึงจับหางมันดึงอ่ะอืมใจมันแข็งมันก็ด้างใจอ่อนใจควรแก่การงานใจนิ่มใจนวลใจอ่อนอ่อนโยนไปกับพฤติกรรมของคำเอาไปทําเกี่ยวกับกิริยาของคำยังไงมันก็ไปอ่อนโยนไปงั้นน่ะเนี่ยกายอ่อนจิตอ่อนมันไม่ใช่อ่อนแอนะ กายอ่อนคือกลดัด ก, กายดัดไปยังไงมันก็ไปอย่างงั้นจิตดัดไปยังไงมันก็ไปอย่างงั้นมันดัดง่ายเหมือนกับไม้ไผ่โลกศรนั่นแหละถูกลนด ไ, ไฟไม้ไผ่มันก็ อ, อ่อนอ่อนแล้วก็ดัดดัดมันก็ไปธรรมะเปนเช่นเดียวกันตะปะธรรมเป็นเผาเป็นไฟแผด เ, เ, เผาแผดเผากิเลสให้เหงื่อแห้งไปจากการทันดานหนึ่วันคืนล่วงไปการเวลาล่วงไปอายุล่วงไป วัยของเราละลำดับไปความตายใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้าม า, มาถ้าเราคิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็จะไม่นิ่งนอนใจเรากไ็ได้ได้ตั้งใจภาวนาสุขสบายทุกยากลาบากกันดานใจมันยังไม่เป็นอะไรใจมันภาวนาได้อย่าทิ้งคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธตายแล้วใจสว่างไปสู่ปรโล ก, กสว่างโรคพยาลมเห็นอีกลัว จับยนขึ้นสูงสูงนูน่นไม่ลงไม่ผลักลงที่ตามรอกเห็น ค, คนภาวนาพุโทโธเพราะเขามทธทรมีฤทธิ์มีอานุภาพเนี่ยแค่รัสมีทมาศาสตร์ซองใส่พวกยมทูตเหล่านั้นก็โอ้ยอ่ อ, อนโยกหมดแล้วแหละกลัวฤทธิ์เด็ดธรรมะมีแต่ช่วยเอื้ออำนวยไปนี้มานี้มานี้อำนวยความสุข แต่ถ้าทําเป็นบาปนี่แหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเลยพลักลงไปเลยพลักลงไปเลยช้ำเละเลย <c oughs> เอ น, นทําชั่วทําไม่ดีทําดีหรือทําชั่วดูประชิดใจของเราแล้วก็ศึกษาประกอบเข้าไปไม่มีใครรู้มาแต่เกิดใหญ่โตมาแล้วก็ศึกษาร่ำเรียนรู้รู้กันทั้งนั้นแหละโอกาสที่เราจะปรับตัวเป็นคนดีปรับได้ทุกโอกาส ทุกเวลาทุกนาทีหลับตื่นลืมตาขึ้นมาคิดได้ปรับเปลี่ยนทันทีพฤติกรรมพฤติกรรมที่เร็วๆที่เราติดใจกับมันมนี่ธรรมะอาให้รรละพร อ, อ, อยาทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาขังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานางังอุปกปะปะติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิะเมวัสมิจฉาตุสะเพปูเรนทุสังกปาจันโทปนะระโสยะทามิโชวติระโสยะทานเิโยวิวัชันตุสภาโรโควินาสะตต พิวานาสีเรสเนจจหุทาปจายโนยจตารอทธามมวัตันดิอายวันนยสุขังพาลาพุตตาภพกาผาตพาจาวิตินาปดาสุเม จาวลกตาโอปิตาสิลวันโตสัญญตาบรัมจาริโนยตัดทงพอคมิชียปันตโตคารมาวสังโมอัตโอนุปัตโตกตังานันุตาบยงเอตังนุสรังมัจจอาริยธมเมธิตนโรอิเทวน พระสัสันติเปจาเกปโมดติติภวตุสัปมงกาลังราคันตุสัปเดวตาอนทราบาบุตทานุภาเวนาสดาสดทิภวันตุเตภวทุสัปมังกาลังราคันตุสพปปเดวตา สับทติธรรมานุภาเวนาสดาสดทิพวันตุเตภาวัตุสาบมมังกลังอารักขันตุสพปเดวตาสับสังขานุภาเวนสดาสดทิอิมภาวันตุอ